ภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุปกรรมของพระอัครสาวกทั้งสองว่ามีปณิธานมาอย่างไรพระาศาสดาได้ตรัสเล่าว่าในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัทสีอันเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สิบพระสารีบุตรเกิดในสกุลพราหมมหาศาลมีนามว่าสรัรทามานพส่วนพระโมคขลานะเกิดในสกุลขหบดีมาหาศาลมีนามว่าสลิวัดกุดุมพี ท่านทั้งสองเป็นสหายรักกันวันหนึ่งสารทามานบอยู่ในที่เงียบสงดไตรตรองเรื่องของชีวิตเกิดความคิดขึ้นว่าเราสามารถรู้เรื่องของชีวิตและอัตภาพเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นแต่มืดมนต่อปัญหาชีวิตและอัตภาพในโลกหน้าเหลือเกินสัตว์ผู้เกิดแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีเราจากต้องตายแน่แท้ชีวิตในโลกหน้าของเราจาเป็นอย่างไรหนอ เพื่อตอบปัญหาชีวิตนี้ให้ได้สรารทมานพต้องการออกบวชแสวงหาโมกธรรมจึงไปชวนสริวัตรกุดุมีผู้สหายแต่สริวัตรไม่พร้อมจะทำได้จึงปฏิเสธสรทมานพคิดว่าผู้ไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าจะชวนสหายหรือญาติมิตรไปด้วยไม่ได้โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนบุคคลต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป กรรมดีกรรมชั่วที่เราทํานั่นแหละเป็นของเราและจะติดตามเราไปในโลกหน้าคิดดังนี้แล้วจึงบริสจากทรัพย์เท่าที่มีเป็นทานแล้วออกบวชเป็นฉดินมีผู้ออกบวชตามเป็นอันมากสรทดาบททากรสินบริกรรมจนได้อภิน ญ, ญาห้าและสมาบัตแ8ดฉดินบริวารก็ได้คุณสมบัติเช่นนั้นเหมือนกันเช้าวันหนึ่งพระอโนมทัทธสีสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จออกจากนิโรสมาบัติหรือพระมหากรุณาสมบัติทรงพิจารณาอุปนิสัยแห่งสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งสัตยดาบทพร้อมด้วยบริวารว่าสัตยดาบทอาศัยพระองค์แล้วจะปราถนาตำแหน่งอครสาวกดังนี้แล้วสเสด็จไปยังสํานักของสัตยดาบทสเสด็จไปทางอากาศทรงอธิษฐานพระทัยว่าขอให้สัตดาบท รู้ความที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสรทาดาบทเห็นอยู่นั่นเองสเสด็จลงจากอากาศประทับยืนบนภาคพื้นสรทาดาบทเห็นอนุภาพแห่งอคันตุกะและเพ่งพินิษสง่าราศีแห่งพระพุทธสรีระแล้วระลึกถึงวิชาดูลักษณะคนที่ตนช่ำชองอย่างดีก็ได้ทราบด้วยปัญญายานว่าอาคันตุกะผู้นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ถอดถอนกิเลส ท, ทั้งปวงออกจากจิตได้แล้วจึงถวายบังคมด้วยเบญจางขปดิษฐ์จัดอาสนะถวายตนเองนั่งบนอาสนะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้น้อยกว่าขณะนั้นชดินบริวารของสรัรทะดาบทจำนวนมากกลับจากหาพลาผล ได้เห็นอาจารย์ของตอนนั่งแสดงความเคารพอาคันตุกะผู้หนึ่งอยู่เกิดความประหลาดใจจึงกล่าวว่าพวกเราเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้ที่เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ไม่มีบุรุษผู้นี้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์หรือสรทท่ดาบทอบว่าท่านทั้งหลายอย่านำเม็ดทรายไปเทียบภูเขาเสเนรุราดเลยเราเป็นเสมือนเม็ดทรายส่วนท่านผู้นี้เป็นเสมือนเสเนรุราดบรรพศพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้า บริวารของสรทธดาบทแน่ใจว่าอาคันตุกะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แท้จริงมิฉะนั้นแล้วฉนายเล่าอาจารย์ของพวกตนจึงแสดงอาการกายและวาจาเช่นนั้นจึงพร้อมกันมอบลงแสดงความเคารพสรทธดาบทล้างมืออย่างดีแล้วนำเอาผลไม้ที่มีรสดีวางลงในบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระอนมัติสีสัมพุทธเจ้ากาลังทรงทำพัตกิต ท่มกลางการแวดล้อมของชดินบริวารของสรัดาบทและทรงปราศัยอยู่กับสารัดาบทนั่นเองทรงดําริว่าขอให้อัครสาวกของเราพร้อมด้วยพิสุสง์จงมาพระอัครสาวกทั้งสองทราบ พ, พระดําริของพระาศาสดาด้วยวารจิตแล้วรีบมาพร้อมด้วยพิษุสง์บริวารยืนถวายบังคมอยู่หน้าที่อันสมควรด้านหนึ่งสรัดาบทสั่งให้ชดินบริวาร ผู้ได้อภิญญาหและสมาบัติ8ปเป็นนาดอกไม้จากป่าใหญ่มาทําอาสนะดอกไม้ถวายพระพุทธเจ้าพระอรันตสาวกและพิษุสงฆ์ทั้งมวลอาสนะดอกไม้สําเร็จโดยรวดเร็วด้วยอํานาจฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายพระดาวิสัยสามารถแห่งเด็กเล็กกับวิสัยสามารถแห่งผู้ใหญ่ผู้สมบูรณ์ด้วยกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังความรู้และกําลังปัญญา ย่อมแตกต่างกันมากฉันใดวิสัยสามารถแห่งสามัญชนกับท่านผู้สําเร็จแล้วทางอภิญยาสมาบัติก็แตกต่างกันมากฉันนั้นท่านจึงเตือนไว้ว่าสามัญชนไม่ควรคิดมากในเรื่องต่อไปนี้คือ 1. วิสัยสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. วิสัยสามารถแห่งผู้ได้ฌานสมาบัติ 3. วิสัยแห่งกรรมและผลของกรรมสความคิดถึงความเป็นมาของโลก ท่านว่าเรื่องทั้งสี่นี้เป็นอจินไตใครคิดมากต้องการรู้ด้วยเหตุผลอาจเป็นบ้าได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคําตอบก็คือว่าบางอย่างเรารู้ได้ด้วยราสาสัมผัสธรรมดาเช่นรูปที่หยาบรู้ด้วยตาเนื้อเสียงที่หยาบรู้ด้วยหูเนื้อสัมผัสที่หยาบรู้ด้วยกายเนื้อเป็นต้นบางอย่างเรารู้ได้ด้วยเหตุผลเช่นความผิด ความถูกความดีความชั่วเป็นต้นแต่บางอย่างเราไม่อาจรู้ได้ด้วยภาษาสัมผัสและด้วยเหตุผลแต่รู้ได้จริงๆด้วยยานวิเศษของท่านผู้ที่มีจิตใจประณีตจนมียานเกิดขึ้นเช่นทิพจักษุญานเป็นต้นสามารถเห็นกายทิพที่จักษุธรรมดาเห็นไม่ได้พราดาสรุปว่าสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งภาษาเรารู้ได้ด้วยภาษา สิ่งอันเป็นวิสัยแห่งเหตุผลเรารู้ได้ด้วยเหตุผลส่วนสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งยานก็ต้องรู้ด้วยยานแม้ในเรื่องภาษานั่นเองก็จับให้ถูกคู่ของมันจึงจะสําเร็จประโยชน์ผิดคู่ก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเอาตาไปชิมแกงเอาลิ้นไปดูรูปเป็นต้น ตลอดเวลาเจ็ดวันที่พระอนุมัธิสีสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสำนักของสัทธดาบทนั้นสรธดาบทได้ยืนกั้นฉัตรดอกไม้ถวายด้วยปิติปราโมทมีความสุขตลอดเจ็ดวันและเจ็ดวันนั้นพระพุทธเจ้าและพระอัคารสาวกรวมทั้งพระสาวกอรหันได้เข้านิโรสมาบัติเพื่อให้สักการะของสัธดาบทและชดินบริวารมีอานิสงส์มากในวันที่7็ด พระศาสดาสเสด็จออกจากนิโรสมาบัติรับสั่งให้อัครส า, าวกนามว่าพระนิสภะอนุโมทนาและรับสั่งให้พระอัครส า, าวกอีกรูปหนึ่งคือพระอนุมาเถร ะ, สะแสดงธรรมแต่ไม่มีใครได้สำเร็จมรรคผลเลยพระศาสดาจึงทรงสแสดงธรรมเองจดินบริวารของสรถธดาบทได้สำเร็จอรหัตผลหมดส่วนท่านสรทไม่ได้สาเร็จ เพราะมีจิตฟุ้งซ่านอยู่ตั้งแต่เริ่มฟังอนุโมทนาของพระอัครสาวกจนถึงฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจิตของท่านวนเวียนอยู่ว่าฉไหนหนอเราจะพึงได้รับภาระเช่นนี้บ้างจากพระพุทธเจ้าซึ่งจะบังเกิดขึ้นในอนาคตสรทะดาบทจึงตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระอนุมัตสีพุทธเจ้าว่าพระเจ้าขา้า้วยกุศลกรรมครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้ามิได้ปรารถนาความเป็นเท้าสกกะหรือความเป็นพรหมแต่ข้าพระองค์ปรารถนาเป็นพระอครส า, าวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระนิสพะเถระพระาศาสดาทรงท่งพระญาณไปในอนาคตทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมในอนาคตท่านจักเป็นอครส า, าวกที่หนึ่งนามว่าสารีบุตร จะเป็นผู้สามารถหมุนธรรมจักได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าจกเป็นผู้มีปัญญามากบรรลุถึงยอดแห่งสาวกบารมียานเมื่อพระศาสดาเสด็จกลับแล้วสัทดาบทรีไปหาสริวัดผู้สหายเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟัง และขอร้องให้เสรีวัตรปรารถนาตําแหน่งอัครสาวกที่สองเสริวัตรเชื่อท่านสัรทาดาบทจึงเตรียมมหาฐานถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอดเจวันและปรารถนาตําแหน่งอัครสาวกที่สองพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องบุพจริยาของอัครสาวกทั้งสองจบลงแล้วตรัสเพิ่มเติมว่าภิกษุทั้งหลาย นี่คือความปรารถนาที่บุตรของเราตั้งไว้แล้วในครั้งนั้นบัดนี้เธอทั้งสองได้ตำแหน่งนั้นตามปรารถนาแล้วพิกษุทั้งหลายเราหาได้ให้ตำแหน่งเพราะเห็นแก่หน้าไม่ปราดาความพยายามและความปรารถนาของบุคคลผู้ทำความดีสั่งสมกรรมดีนั้นไม่เคยไร้ผลมันจะคอยจังหวะให้ผลในโอกาสอันควรอยู่เสมอแต่เนื่องจากคนบางคนขณะพยายามเพื่อทำกรรมดี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 ต้องพยายามกันชาติแล้วชาติเล่าโดยหาวิถีให้จิตค่อยเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นดังที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ว่ามหาสมุทรลึกลงโดยลําดับลาดลงโดยลําดับไม่โกรกฉันเหมือนภูเขาขาดฉันใดธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลําดับมีการกระทําตามลําดับมีการปฏิบัติตามลําดับ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 หรือเพื่อให้ชีวิตก้าวไปสักขั้นหนึ่งในทางปัญญาแม้จะเป็นขั้นเล็กๆ ก, ก็ตามแล้วไปต่อเอาชาติหน้าอีกความพยายามของเราจะต้องเป็นไปติดต่อซื่อสัตย์และเอาจริงผลจะต้องมีอย่างแน่นอนแม้จะช้าสักหน่อยก็ตามด้วยเหตุนี้โชคชะตาของแต่ละคนจึงเป็นผลรวมแห่งการกระทําในอดีตของเขาความสามารถทางจิตสภาพทางกายอุปนิสัยทางศีลธรรม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 จึงสรุปได้ว่าทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นผลแห่งสิ่งที่เราเคยคิดไว้สิ่งทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสําเร็จมาจากใจถ้าใจเศร้าหมองการทําและการพูดก็เศร้าหมองความทุกข์จะตามมาถ้าใจผ่องแผ้วการทําและการพูดก็สะอาดบริสุทธิ์ความสุขจะตามมาเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคหรือเหมือนเงาตามตัว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 เพราะใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์